ภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แหลเป็นผู้มีสามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม1ิประ ก, การก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีสามารถถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในธรรมวินัยได้ธรรม1ิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งไม่รู้รูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ้ไม่สุมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำา 7. ไม่รู้ทาที่เดิมแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในโคจร 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปริณายกด้วยการบูชายอย่างยิ่งภิกษุไม่รู้รูปเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูต ร, รูปสี่และอุปทายรูปสี่กิุเป็นผู้ไม่รู้รูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไร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 รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นรับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นรับบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกไม่ละไม่บรรเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกสุไม่กาจัดไข่ค้างเป็นอย่างนี้แลภิกสุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือ ไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนักครอบงำได้ไม่รักษาจากักขุนสีไม่ถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลธพะทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสารวมในมนินรี ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษามนินทรียไม่ถึงความสำรวมในมนินทรียภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละภิกษุไม่สูงไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดาร ภิกษุไม่สูงไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่รู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นหูสูตรผู้เรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร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 คือพิกษุในธรรมวิในนี้ไม่รู้สติปันสีตามความเป็นจริงพิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แลพิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวิในนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวอนบินบาบเสนาสนะกีฬานปัจจัยเพศบริการที่พวกขหาบดีผู้มีศรัทธาปวารณานาไปถวายเฉพาะ ภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุไม่บูชาเหล่าภิกษุผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจิกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเทระ เป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกภิกษุไม่บูชาเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินาย unanim, กด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิเอ็ดประการนี้แล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 5. สุมไฟ 6. รู้ท่าน้ำา 7. รู้ว่าโคเดิมน้ำแล้ว 8. รู้ทาง 9. ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมให้เหลือ 11. บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชา ย, ย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายนโคบานประกอบด้วยองค์11ประการนี้แล จึงเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรม11ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพูโบ์ในธรรมวินัยนี้ได้ธรรม1ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. รู้รูป 2. ชฉลาดในลักษณะ 3. กํกำจัดไ ข, ข่ค้าง4ปกปิดแผล 5. ้าสมไฟ 6. รู้ท่าน้ำา 7. รู้ธทรรมที่ดื่มแล้ว 8. รู้ทาง 9. ฉลาดในโคจร 10. รีดนมให้เหลือ 11. บอบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญยูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดนเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชายอย่างยิ่งภิกษุรู้รูปเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงว่ามหาภูตรูปสี่และอุปาทายรูปสี่ภิกษุรู้รูปเป็นอย่างนี้แหลภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แล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 ภิกษุกําจัดไข่ค้างเป็นอย่างนี้แหละภิกษุบกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รูปถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอักขศนธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนีถึงความสารวมในจากขุนี ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผทะพระทางกายรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินีสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศสธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนณีสีถึงความสำรวมในมณนีสีภิกษุบกปิดแผลเป็นอย่างนี้แล ภิกษุสุ้มไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุสุ้มไฟเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคำภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาตามเวลาสมควร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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปลาปลื้มอิงอัดได้ความปราปลื้มอิงธรรมได้ปราโมที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้ทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองค์แปดตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางเป็นอย่างนี้แล ภิกษุฉลาดในโครจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้สติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงภิกษุฉลาดในโครจรเป็นอย่างนี้แลภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบินทบาทเสนาสนะกิลานปั จ, จัยเพตป ร, ริคานที่พวกข้าบดีผู้มีศรัทธา ปรวรณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลัง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 เป็นผู้สามารถถึงความเจริญ ง, งอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวินัยนี้โคปาลสูตรที่7จ็ดจบ 8. ปฐธมมาสมาธิสูตรว่าด้วย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 ในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอากาศสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาศสานัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌาน ในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้ในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าไม่ต้องมีสัญญาแม้ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบทำอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาพระผู้มีพระภาคกระตอบว่าภิกษุทั้งหลายมีได้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 ภาวะที่สงบปราณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลตทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานภิกษุทั้งหลายมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ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 การที่พิสษุ์ได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอากาสาญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสาญจายตนะฌานในวิญญาณจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณจายตนะฌานในอากิญจายตนะฌานว่า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 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักเป็นผู้นำเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาสิทธินี้ให้แจ่มแจ้งได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้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 ธรรมรมที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระ ง, งับสังขารทั้งปวงความสลละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำหนัดความดับ นิพพานภิกษุทั้งหลายมีได้อย่างนี้แหละการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาณในาธาตุดินว่าเป็นาธาตุดินในาธาตุน้ำว่าเป็นาธาตุน้ำในาธาตุไฟว่าเป็นาธาตุไฟในาธาตุลมว่าเป็นาธาตุลมในอากาสารัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่า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 ธรรมารมที่รู้แจ้งที่ถึงที่สแสวงหาที่ตรงตามด้วยใจแต่ต้องมีสัญญาทุติยสมาธิสูตรที่เกจบ 10. ตติยสมาธิสูตรว่าด้วย การได้สมาธิของภิกษุสูตรที่สครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรมีได้หรือหนอการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดิน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 ภาวะที่สงบปราณีตคือความระงรับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตันหาความคลายกำนัดความดับนิพพานผู้มีอายุทั้งหลายมีได้อย่างนี้แลการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในาธาตุดินว่าเป็นาธาตุดินในาธาตุน้ำว่าเป็นาธาตุน้าในาธาตุไฟว่าเป็นาธนนาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอากาศนัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาศานัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอากินจัญญาตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญาตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้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 จะตุทะสมาธิสูตรว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุสูตรที่สณที่นั้นแหลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีได้หรือหนอการที่ภิกษุได้สมาธิโดยไม่ต้องมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินในธาตุน้ําว่าเป็นธาตุน้ําในธาตุไฟว่าเป็นธาตุไฟ ในธาตุลมว่าเป็นธาตุลมในอากาศสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาศสานัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอากินจัญญาญาตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญาญตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญาญตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้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 เฉพาะท่านสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาสิตนี้ให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากท่านสารีบุตรแล้วจักทรงจำไว้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรจึงเรียกล่าวเรื่องนี้ว่า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 ในาธาตุลมว่าเป็นาธาตุลมในอากาศสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาศสานัญจายตนะฌานในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานในอากินจัญญาญตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญาญตนะฌานในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้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 สทุติยมหานามสูตร 3. นันทิยสูตร 4. สุภูติสูตร 5. เมตตาสูตร 6. อัทธกนาคราสูตร 7. จ็ดโคปาลสูตร 8. ปดปฐมสมาธิสูตร 9. ทุติยสมาธิสูตร 10. บตติยสมาธิสูตรสิอ็ดจตุทะสมาธิสูตร สามั ญ, ญวัตหมวดว่าด้วยสามั ญ, ญลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบานประกอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้มีสามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11อประการอะไรบ้างคือนายโคบานในโลกนี้ 1. ไม่รู้รูปโค 2. ไม่ฉลาดในลักษณะโค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 ภิกษุทั้งหลายในโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้มีสามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม1ิประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจักสุธรรม11ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ไม่รู้รูป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 เป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชายอย่างยิ่งและถึงไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในจักสุไม่สามารถพิจ า, ารณาเห็นความเป็นอนัตตาในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในจักสุ ไม่สามารถพิจารณาเห็นความดับไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละคืนในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในโสตะไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในคานะไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในชิวหาไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในใจละถึง ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์ในจักขุวิญญาณในโสตะวิญญาณในขานวิญญาณในชิวหาวิญญาณในกายวิญญาณในมโนวิญญาณในจักขุสัมผัสในโสตะสัมผัสในขานะสัมผัสในชิวหาสัมผัสในกายสัมผัสในมโนสัมผัส ในเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่โสตะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่คานะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่กายะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสในรูปสัญญาในสัทธาสัญญาในคันธาสัญญาในรสะสัญญาในโพธภะสัญญาในธรรมะสัญญา ในร cafe, ูปป да, ัจสัญญเจตนาในสัทธสัญญเจตนาในคันธสัญญเจตนาในรสสัญญเจตนาในโพธภสัญญเจตนาในธรรมสัญญเจตนาในรูปปัญหาในสัทธตัญหาในคันธตัญหาในรสตัญหาในโพธภตัญหาในธรรมตัญหาในรูปปวิตกในสัทธวิตกในคันธวิตก ในรัศววิตกในโพธิภพวิตกในธรรมวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม11บเอ็ดประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรู ป, ประวิจารและถึงไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรู ป, ประวิจารไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรู ป, ประวิจาร ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในรูปวิจาร์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในรูปวิจาร์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพ <IS> ิจารณาเห็นความดับไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละเคินในรูปวิจารณ์ในสัทธวิจารณ์ในคันทวิจารณ์ในรสาวิจารณ์ ในโพธภพวิจารในธรรมวิจารสามัญวักจบ 4. ราคะเปยายานภิกษุทั้งหลายในโคบาลประกอบด้วย อ, องค์11ประการ เป็นผู้สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือในโคบาลในโลกนี้ 1. รู้รูปละถึงชั้นใดพิกษุประกอบด้วยธรรม1ประการก็ชันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจักสุละถึงพิจารณาเห็นความสลละคืนในจักสุพิกษุทั้งหลาย บุคคลควรจเจริญทำส1 1ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำนัดทำส1 1ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฐมฌาน 2. ทธุติยฌาน 3. ตติยฌาน 4. จตุธชฌาน 5. เมตตาเจโตวิมุตติ 6. กรุณาเจโตวิมุตติ 7. มุทิตาเจโตวิมุตติ 8. อุเบกขาเจโตวิมุตติ เอากาสานัญจายตนะฌาน 10. วิญญาณญจายตนะฌาน 11. อากินจญายตนะฌานภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิ1เประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิ1เประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะ เพื่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำาิ11ประการนี้เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำาิ11ประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้าย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 มัคคความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามาฉริยะความตรนีมายามานยาสาเถยยะความโอ้อวดถามพะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมินมทะความมัวเมาปมาทะความประมาท ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรม1ิประการนี้เพื่อความสละเคินประมาทะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคราคะไปยานจบอังคุตรณิกายประกอบด้วยพระสูตร 9,557 สูตรเอากาทัศกานิบาตจบ อังคุตรานิกายจบบริบูรณ์